ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราก็มาพบกันอีกนะคะกับรายการสันนีสนทนาและดิฉันสันนีนาคพง์ทางสารีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รแห่งนี้นะคะซึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีพระมหาเพัยบุญอภิปุโนค่ะท่านมาให้ธรรมะกับท่านผู้ฟังโดยพฤหัสบดีกับวันศุกร์จะเป็นวันที่ดิฉันสันนินาพง์มาร่วมดาเนินรายการนะคะก็เป็นการ ทำให้เปลี่ยนบรรยากาศในลักษณะที่จะมีการปุจชาวิปสัจชนาถ้าเป็นภาษาพระเขาจะพูดถึงแบบนี้นะคะคือมีการตั้งคำถามแล้วก็ตอบสำหรับในวันนี้มีจดหมายยาวทีเดียวค่ะจากคุณฟังซึ่งบอกว่าฟังท่านพิบู์เนี่ยเป็นประจำทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าคำถามนั้นเนี่ยเป็นคาถามอะไรแล้วก็พวกเราจะได้ประโยชน์อะไร กันจากคำถามของท่านฝั่งท่านนี้บ้างแต่ก่อนอื่นต้องไปพบกับพระสงฆ์ที่จะมาให้ธรรมะกับเราแล้วก็มาตอบคำถามนะคะนั่นคือพระมหาภัยบุ์อภิปุโนจกวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีกราบน้ำสศ ก, การค่ะท่านคะเตมพัค่ะก็ เป็นคําถามที่ดิฉันอ่านแล้วผมไม่ค่อยคิดว่าจะเจอปัญหาแบบนี้เป็นปั ญ, ปปญหาที่จัดว่าแปลกทีเดียวนะคะคือสุภาพสตรีท่านนี้ก็ได้ขอถ้าอาจารย์บอกว่าขอสงวนชื่ออืมเขียนไปจดหมายมาที่วัดปา่าดอนไหนโสกนะแต่โม่ฝังด้านี้ค่ะแล้วก็จดหมายยาวทีเดียวดิฉันขออนุญาตสรุปประเด็นกันละกันนะคะว่า เ, เธอเนี่ได้ออกตัวว่าเป็นคนที่ระยญาตขาดมิตรอืมก็ไม่มีที่พึ่งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาจนวันหนึ่ง เกิดปัญหาจากการที่ชอบไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าตามฟูดคอร์ดก็คือมาถึงสูตรอาหารใช่ไหมใช่ค่ะสูนอาหารที่จะมีร้านอาหารเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีการให้ซื้อคูปองใช่ไหมคะแล้วก็ร้านอาหารเขาก็จะจัดอาหารใส่จานใส่ชามให้เราก็แบกถาดที่มีอาหารนั้นกลับมาแล้วก็จะมีจุดที่จะให้เรามาหยิบอุปกรณ์ในการตัดใส่ปากไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อม หรือตะเกียบก็ตามที <Okay. S 2> แล้วบางที่ก็ยังเห็นแก่อนามัยส่วนบุคคลนะคะ mm hmm. มีน้ำร้อนต้มในหมอ้อหุงข้าวให้เราเอาภาชนะนั้นๆนเนี่ยใส่จุ่มค่าเชื้อโรคก่อน oh. ทีนี้คนเนี้ยถ้าทานจะเป็นคนที่อนามัยพอสมควรทีเดียว ร, รักษ า, าใช่ค่ะเธอก็บอกว่าปกติถ้าจะไปตามที่แบบเนี้ยจะตระเตรียมช้อนซ่อมส่วนตัวไป <Okay. S 2> นะคะก็รับทราบดีนะ เหมือนเหมือนพระสงค์เนี่ยจะต้องจะต้องมีอุปกรณ์การกินของตัวเองก็คือมีบาตรมีอะไรของตัวเองไปค่ะแต่สำหรับท่านผู้ฟังเนี่ยรู้สึกจะเอาไปแค่ช้อนซ่อมไม่ใช่เอาถ้วยจานไปด้วยนะคะทีนี้ก็บอกทามาเป็นประจำเลยไม่เคยมีปัญหาแต่วันนั้นน่ะเป็นวันที่อะไรก็ไม่รู้ก็เกิดมีเจ้าหน้าที่ของฟู้ดคอร์ดเนี่ยเดินมาแล้วก็โจมตีทันทีเลยด้วยการบอกว่าทาไมไม่คืนช้อน Oh. อ๋อ่าเพราะว่าในเมื่อไม่ได้ใช้ช้อนของห้างทานฝัง่งท่านนี้ก็บอกว่าเก็เก็บของตัวเองกลับบ้านแหละแต่กลับถูกถามด้วยเสียงที่ดังอืม hmm. ทําให้อายมากเพราะว่าในจานที่เธอทานเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีไม่มีช้อนไม่มีซ่อมนัะนะคะแล้วก็กลับบ้านมาเนี่ยก็คุ่นคิดถึงเรื่องเนี้ยตลอดเวลาอืม hmm. แล้วไม่กล้ากลับไปที่ห้างสรรพสินค้าที่มีฟู้ดคอร์ทที่ไปรับประทานอาหารอยู่เป็นประจํา อีกเลยรุ่นคิดเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดิฉันสรุปถามนะคะถ้าจ้อยจะเห็นจดหมายตัวจริงแล้วแล้วเขาก็ยังเล่าให้ฟังว่าสงสัยทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์อาหานี่เขาคอยจับตาดูอยู่หลายครั้งเพราะว่าไปเก็บจานทีไรก็ไม่เห็นมีช้อนซ้อมมีแต่จานเปล่าๆนะคราวนี้คงได้โอกาสก็เลยโจมตีอย่างที่ว่าใช่ค่ะเราก็ยังเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่าก็นว่า ตัวเองเก็บเงินได้500รบาทก็ยังนำไปคืนกับเจ้าหน้าที่ของห้างสสินค้าใชนะ่คือตัวเองเนะี่ยยืนยันแน่นอนว่าไม่ได้เป็นคนเอา้อนซ้ำไปใช่เป็นคนน่าเห็นใจนะครับผู้บอกรักษาศีลด้วยวันเกิดวันพระใช่ไหมคะยังทานมังสวิรัรติ่ต่างหากค่ ะ, ะทีนี้ในกรณีนี้คืออะไระคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือเร า, เาถูกกล่าวหาด้วยวาจาอันไม่จริงนะด้วยวาจาเป็นเท็จแล้วก็ด้วยใจที่ ด้วยคยําหยาบคายสมมติเขาพูดหยาบคายด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็ด้วยจิต ท, ที่มีโทสะาาด้วยในลัน <Health> นกษณะการกล่าวหานี่จะมีอยู่5้าอย่างหนุนคุณผมเติมอยู่5้าอย่า ง, ง, ง1ด้วยข้อด้วยความเท็จหรือด้วยความจริงอันนี้คือคู่แรกอันนี้นคือคู่ครแรกนี้เป็นบริจาตรตัสไวนะ้นะคือวาจาที่ผู้อื่นจะกล่าวหาเราเนี่ยมีอยู่5ทางด้วยกันทางแรกคือกล่าวด้วยวาจาถ้อยคําจริงหรือไม่จริงนี้นคือคู่แรกครู่ที่2 กล่าวด้วยวาจาอ่อนหวานหรือว่าหยาบคายกนะู้ที่สามกล่าวด้วยเรื่องที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์รเรื่องที่4ี่กล่าวด้วยจิตมีโทสะหรือมีเมตตาหรือไม่มีโทสะนักบุญเจ้าตานี้มีโทสะหรือไม่มีโทสะกู้ที่ห้านี้กล่าวด้วยถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาและนี่ห้าอย่างนะช่องทางแห่งการที่ผู้อื่นจะกล่าวหาเราไม่อยู่แค่หทางนี้ไม่มี ทางที่จะไปหนีจากนี้ได้นะทีนี้สมมุติว่าในกรณีของท่านผู้ถามที่เขียนจดหมายมานี้ เ, เขาถูกกล่าวหาด้วยวาจาที่ไม่จริงด้วยจะไม่ได้ทำํำจะไม่ได้เอาช้อนซ่อมไปนะแล้วถูกกล่าวหาสองอด้วยในช่องทางที่2ก็คือด้วยถ้อยคําที่หยาบคายด้วยไม่ใช่ถ้อยคำอ่อนหวานแน่นอนแล้วก็อันที่สามด้วยจิตใจของผู้กล่าวหาเนี่ยก็มีโทสะด้วยดูจากท่าทางที่เขาพูดแล้วก็ แม้เนี่ยมาแดงๆกันตรงนั้นพอดีคือทุกคนอยู่ฟังกันหมดเลยอ่ะค่ะมันไม่ถูกเวลาอย่างมากเลยะนะคือถ้าแบบว่ามาบอกฉันเงียบๆหรือว่าตอนที่ฉันไปห้องน้ําอย่างงี้ก็ค่อยว่าไปอย่างใช่ไหมแต่นี้ตอนที่คนอยู่เยอะๆะนะจงใจให้ได้อายค่ะเออเนี่นนะนี่คือสี่ทางลแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็คงจะมีประโยชน์อยู่สําหรับเขาสําหรับเขาที่เขาต้องรักษาสมบัติของเขาค่ะเป็นหน้าที่ใช่ใช่เป็นหน้าที่ นีนี่คือกรณีของทัานผู้ถามนี้ใ น, ในวิธีแก้แลนะต่อให้เราถูกกล่าวหาด้วยข้อเท็จจริงสิ่งที่เป็นเรื่องจริงด้วยคนที่กล่าวหาเนี่ยเขาก็พูดเรื่องที่มีประโยชน์ด้วยนะต่อที่เราจะพัฒนาปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นได้สองวาจาที่กล่าวนั้นก็เป็นวาจาอ่อนหวานด้วยนะแล้วก็ถูกเวลาอีกทั้งหากคุยนะกัน2ต่อ2หรือว่าเวลาที่เหมาะสมที่เราจะรับฟังคำแนะนาของเขาได้ เราก็ยังเป็นถ้อยคำที่สุภาพด้วยแต่ถ้าในกรณีนี้คือคือไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งก็ตามในห้าทางนี้ทั้งคู่ที่เป็นลบทั้งหมดหรือห้าทางนี้ทั้งคู่ที่เป็นบวกทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะช่องทางไหนมาแบบไหนก็ตามแต่พระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างอุ ป, ปมาบมาุปไมยไว้ห้าอย่างเหนือเพื่อที่จะรับมือกับเวลาที่คนเขาเกล่าวหาเรารและซึ่งแน่นอนเวลาเราคิดถึงเรื่องนี้ตัวเมันจี้ทุกทีแต่ก็เลยว่าเรื่องนี้อาจจะ ผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าคิดอะไรมันกัดจี้ทุกทีแต่มันเจ็บทุกทีเนี่ยแสดงว่ า, าสิ่งนั้ น, นเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นปัจจุบันของเราอยู่ตลอดเวลาเลยลเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะปล่อยวางได้อันดับแรกพระพรุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดินใหญ่ะมีชายคนหนึ่งเขาก็ถือเอาจอบกับบุ้งกีมาจอบกับบุ้งกีนี่คืออุปกรณ์ที่เขาจะใช้สําหรับทําก่อสร้างเนี่ยนะเขาจะขุดดินแล้วก็บอกว่าฉันจะขุด หืนแผ่นดินนี้นะให้ไม่เป็นแผ่นดินแล้วก็ใช้เจาะกระบุงกีนขุดก็ไปขุดก็ไปขุดก็ไปโยนทิ้งโยนทิ้งขากถุยดินตรงไหนมันแข็งเอาน้ํามาใส่ขุดขุดขุดแตเพื่อไม่ให้มันเป็นแผ่นดินเขาทําไปทําไปเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยคุณหยบดิวต่อให้เอารถแมคโครมาขุดแต่ถ้าเอารถแมคโครมาขุดขุดลงไปจนถึงตาน้ําขุดขุดลงไปมันก็ยังมีเนื้อที่อีกตั้งเยอะแยะที่มันจะยังเป็นดินอยู่มันไม่สามารถทําได้แตอุบมาพไวนี้เปรียบเทียบอะไร เปรียบเรียกว่าให้เราทําจิตเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับแผ่นดินที่ว่าใครๆจะมาขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินี่มันมันไม่ได้มันยากมากอันนี้คืออุปมาข้อที่1 น, นะอุบมาข้อที่สองก็เปรียบเหมือนกับช่างวาดภาพจิตรกรวาดภาพเนี่ยนะเขาจะเอาสีเอาอะไรต่างๆที่เขาจะวาดภาพขึ้นมาเนี่ยทีนี้แทนที่เขาจะวาดบนผืนผ้าใบ หรือว่าบนแผ่นผ้าอะไรต่างๆก็บอกเขาจะวาดภาพบนอากาศนี้นะให้อากาศเนี่ยมันปรากฏเป็นภาพขึ้นมาได้นะเขาก็วาดไปใช้สีนันพยายามที่จะป้ายไปบนอากาศนะอากาศาก็ก็ไม่ได้จะติดรูปได้ไม่สามารถเป็นสิ่งที่เกิดรูปได้คนนี้เขาไม่สามารถทำได้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างประมาณที่สองนี้เพื่อให้เราทำจิตให้เหมือนกับอากาศนะเป็นสิ่งที่บุคคลจะเขียนให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ นี่คือข้อที่สองแล้วข้อที่สามเปรียบเหมือนกับว่าคนที่เขาถือเอาคบเพลิงหญ่าม า, าคบเพลิงนะที่ทําด้วยฟางทําด้วยหญ่าเนี่ยถือมาที่แม่น้ํำคงคาแต่ตลอดนึกแม่น้ำคงคาไปอ่อนนึกแม่น้ําเจ้าพญาก็ได้หรือแม่น้ํำคงก็ได้ถือมาที่แม่น้าํเนน า, า, เ, าเจ้าพญ า, า, า, า, าแล้วบอกว่าฉันจะเผาแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ให้มันเดือดพร่านร้อนจัดด้วยคบเพลิงหญ่านี้ค่ะแต่ตอนให้คุณเอาระเบิดมาบ่มใส่เนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะเดือดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะร้อนขึ้นมาได้ง่ายๆแต่เพราะว่าปริมาณน้ําที่มันมากแล้วมันก็ลึกแล้วมันก็มีน้ําเยอะนะใช่นเดียวกันนะอุปมานี้ยกตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าให้เราเนี่ยทำจิตให้เหมือนกับน้ําี่คือข้อที่3ทําจิตให้เหมือนกับน้ําว่าเป็นสิ่งที่คนเขาจะเผาให้เดือดร้อนจัดด้วยคบเพลิงย่าเนี่ยไม่ได้นีน่คือข้อที่สามข้อที่4นี่เปรียบเหมือนกับแผ่นหนงังแมวป่าขนฝู นัเป็นหนังแมวป่าข น, นาฟูแผ่นนี้ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่เหมือนปุ๋ยนุ่นไ ม, ไม่ส่งเสียงไม่ส่งการบานเสียงถ้ามีคนที่ถือไม้หัวโมงมาแล้วเนี่ยจะมาตีแผ่นหนังแผ่นนี้ให้มันส่งเสียงเรื่องพรุๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้อันนี้ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้ทราบว่าให้เราทำจิตเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟู แผนนี้อันนี้คืออุปมาอุปไมยอันที่4ี่นี้คือข้อที่สี่ซึ่งในแต่ละอุปมาอุปไมยในพระสูตรอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็จบลงในะแต่ละอันเนี่ยให้พิจารณาถึงว่าเราจะต้องแผ่เมตตาคือจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปแเราจะมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นเระมีจเอ็นดูเกื้อกูลแผ่ไปยังสัตว์โลกโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ นี่คือเราต้องมีจิตเป็นเมตตาอันนี้ัำแรกเพราะฉะนั้นประเด็นอุปมาอุปไมยสีอย่างนี้ก็จะมาจบลงจุดที่ว่าเฮ้ยจิตเราต้องมีเมตตานะมีความเมตตาจิตของเราจะไม่แปรปรวนให้เหมือนกับแผ่นดินจิตของเราต้องไม่แปรปรวนให้เหมือนกับน้ำให้เหมือนกับอากาศหรือว่าลมเนี่ยที่ว่าดินหรือน้ำที่ว่าเขาออกของสปกปรกของสะอาดทิ้งลงไปมันก็ไม่ได้อิจฉา ร, รังเกียจ หรือว่าลมพัดเข้าไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็ไม่ได้อิดหนาระอ า, ารังเกียจนะีจิตเราต้องเป็นอย่างนี้ไม่ให้มีความแปรปรวนเนะี่ยเราก็มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีความเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ค่นะเนี่ยเราก็แผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์เนะี่ยทีนี้หมายความว่าไงเนี่ยห ม, มายความว่าเราจะต้องมีเมตตากับบุคคล น, นี้โอ้โหแบบว่า มัน<า>ด่าราขนาดนี้ทำให้เราได้ไอายเนี่ยะคะด่าเราขนาดนี้เลยไปไมีแม่ตาในของเขาเป็นคนหนึงไม่ได้หรออย่างเงี้ยตรงนี้แต่ทําให้เราทุกข์เพราะว่าความอาฆาตความไม่พอใจความแค้นมันทําให้เรามันทําให้เราจริงเรามันมีความทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาความแค้นนี่ออกไปได้ยังไงอันดับแรกก่อนเขาถูกหรือเขาผิดอันนี้เรายกไปก่อนเราไม่รู้สมมุติว่าเขาผิดแล้วเราถูกก็ตามเถอะแต่ว่า เราก็เราก็ไม่ได้ผิดนี่นาเราก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมแล้วแต่ทําไมเรามีความแค้นอยู่ในใจเรามีความร้อนอยู่ในใจนะซึ่งมันเผาเราอยู่ทั้งทงี่เราไม่ได้ผิดสมมุติว่าถ้าเขากล่าวหาเราจริงๆใช่ไหมแล้วเราทําผิดจริงๆเนี่ยไอ้คนที่สมมุตินะสมมุติมีนายคนหนึ่งนายคนหนึ่งเขาก็เอาช้อนไปจริง ๆ, ๆ, ๆแล้วก็ถูกกล่าวหาจริงๆรนะิคุณยอมถึงคิดว่าคนที่เขาเอาทําผิดจริง ๆ, ๆแล้วถูกด่าตรงนั้นจริงๆเนี่ยเขากลับมาบ้านเขาจะถูกข์ไหมเขาจะเครียดไหม เครียดกันนะคะก็ต้องเครียดเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าเขาทําความชั่วอันนี้มันสมเหตุสมผลแตถ้าเราไม่ได้ทําความชั่วแล้วเราถูกด่าเนี่ยนะคุณไม่เห็นจะต้องเครียดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําความชั่วคือ ค, คุณยองเตียว เ, เข้าใจตะกะตรงนี้นะเข้าใจค่ะแต่ก็เข้าใจคุณผู้หญิงคนนี้นะคะค่ะเออเพราะฉะนั <loans> ้นข <'re> ้อ <paint> ท <sharp> ี <metallic> ห่หนึ่งละเราไม่ได้ทาความชั่วเราไม่ต้องร้อนใจอันนี้คือข้อถิงเพราะอะไรเพราะความชั่วเราไม่ได้ทําคือถ้าเราทําความชั่ว แล้วเราร้อนใจอันนี้สมควรอยู่ <คะ S 1> อนาภาจะสมน้าหน้านิดหนึ่งเพราะว่าก็ต้องแก้ไขตัวเองนะแล้วเราทํา ค, <ะ S 1> ความชั่วยแล้วเราแล้วเรารู้สึกไม่ดีคุณก็ทําให้ถูกซะอันนี้มันจะดี<ค>ะเอา้าแต่เราไม่ได้ทําความชั่วสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือเราไม่ได้มีความร้อนใจจากความชั่วที่เราไม่ได้ทำํำ <คะ S 1> อันนี้ก็ที่หนึ่งแต่ปัญหาตรงนี้ก็คือว่ า, าแล้วเราถูกดา่าเราถูกด่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทํามันจึงไปเครียดตรงนี้ <คะ S 1> แต่ถามถามกันเร า, เาดูตามเหตุผล ดูดายเป็ผลว่าไอสิ่งที่เขาด่ามาเนี่ย เ, าเราไม่ได้ทําเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแตพระรูปเจ้าเคยยกตัวอย่างอย่างนี้บอกว่าถ้ามีคนเขามาบ้านแล้วเขาเอาของกำนันเอาดอกไม้หรืออะไรมาให้เจ้าบ้านใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วแต่ว่าเราไม่รับอ่ะเราไม่รับก็จะว่า ก, ก็ของนี้จะตกเป็นของใครอันนี้ตรัดไว้กับพราหมณ์ที่เมือง ร, ร, <Okay. S 1> ราชกฤอพราหม์ก็บอกเออเขาต้องตกเป็นของคนที่เขาเอามาให้สิแต่ถ้าเจ้าบ้านเขาไม่รับ แล <pouch. S 2> พระรูปเจ้ายกตัวอย่างนี้เพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเขามาด่าเสียดสีพระรูปเจ้าอย่างมากเลยพระรูปเจ้าก็นิ่งไม่ไม่รับคําด่าของเขาไม่ว่าอะไรกับเขาเขาก็เลยคิดว่าเขาชนะแต่พระรูปเจ้าก็เลยถามยกตัวอย่างนี้ว่าอาสมมติว่าท่านเนี่ยมาที่สํานักของเราเนี่มาที่ที่นั่งของเราเนี่ยแล้วก็เอาคําด่าคําว่าคำหยาบค่ายอะไรต่างๆมาให้เราแต่ว่าเราไม่ได้รับเอาไว้ถ้าถามว่าคําด่าคำว่าเนี่ยจะตกเป็นของใครก็ตกเป็นของคนเอามานั่นล่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคําด่าคําว่านั้นเราเอาเก็บมานะเรามาเก็บไว้ในใจเราโอ้เราจะเครียดมากเลยแต่ถ้าเราไม่เอาไว้ก็ตกเป็นของใครก็ของเจ้าของนั่นล่ะก็คนที่พูดนั่นแหะก็คืนเขาไปคนที่คนที่เขาด่าเราใช่ไหมแล้วเราด่าตอบเดีชื่อว่ากินด้วยกันเดีบริโภคร่วมกันแต่ถ้าพราะว่าเขาด่าเราแล้วเราไม่เอานี่เราไม่ได้กินกับเขานะเขาก็ออกกลับของเขาไปกินคนเดียว เราสบายใจได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำค่ะแล้วเราก็ไม่ได้รับเอาไว้ค่ะคือดิชชนที่บอกว่าเข้าใจคนที่ถามคาถามเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่คนเยอะๆค่ะแล้วก็เธอก็ไม่มีโอกาสที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจสถานการณ์ที่ได้เล่ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแต่ว่าน้ำหนักของเธอก็คงไม่เพียงพอที่จะทำ ใ, ให้คนอื่นเข้าใจ หลักฐานมันมาเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะเพราะว่าอ้าวมันหายไปจากนั่นจริงๆก็บางคนอาจจะเห็นอ่าท่านนี้เก็บช้อนของตัวเองเนี่ยเอากลับเข้ากระเป๋าด้วยซ้ํำซึ่งแ ต, แต่ไม่เห็นตอน<ข>เอาออกมาใช่ค่ะผู้ถามผู้ที่ถามมาเนี่ยก็บอกว่าปกติแล้วเวลาออกนอกบ้านเนี่ยจะมีคล้ายๆพระเลยจะมีกระเป๋าใส่ช้อนอะไรเงี้ยอุปกรณ์ในการรับประทานรวมไปถึงกระติกน้ําด้วยน่าเห็นใจค่ะซึ่งไอการเป็นคนที่มีสังคม มีตัวมีตนแล้วบางเอิ่นไปเดินที่นั่นบ่อยๆก็ไม่กล้าไปอีกเลยเข้าใจว่าคงจะมีความรู้สึกว่าถ้าไปก็คงจะถูกคนอื่นเขามองแบบว่าเอาขี้ขโมยมาอีกแล้วขโมยแม้กระทั่งช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่ทีนี้อย่างที่ท่านพิบูลพูดคือดิฉันเนี่ยต้องยกตัวอย่างตัวเองเลยได้ไหมคะได้ไดนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามีวัดปฏิบัติแตกต่างจากท่านผู้ถามคนเนี้ยเรื่องไม่ได้รับประทานมังสวิรัต แต่ก็พยายามรักษาศีลแต่ก็ไม่วายจะโดนคนใส่ร้ายป้ายสีเรื่องใหญ่ๆระดับชาติเลยด้วยนะคะ ต, ต้องเรียนแบบนี้แต่ถามว่าอาจจะเป็นเพราะดิฉันโชคดีน่ะได้มีโอกาสที่สนทนาธรรมบ่อยๆก็ได้รู้ได้เข้าใจพระสูตรประกอบกับสิ่งที่ท่านพิบูลได้พูดเนี่แหละค่ะว่าถ้าเขาพูดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะไม่ร้อนใจ เพระท่านได้กล่าวมาก่อนสอนคําสอนพระพุทธองค์ใช่ไหมคะว่าถ้าเรารักษาศีลเนี่ยเราจะเป็นผู้ไม่ร้อนใจในภายหลังใช่ใชค่ะเนี่ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเอเราก็จะมีจิตใจที่มั่นคงเพื่อนดิฉันเลยบอกว่าทําไมไม่ฟ้องหมิ่นประมาทขณะเราสาเสียเทเสียแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมคะมก็จะมีการส่งแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนส่งอ่มดิฉันก็เข้าห้องพระและไม่เข้าห้องพระทําแบบที่ท่านบอกเหมือนกัน แผ่เมตตาให้กับคู่กรณีของดิฉันเนี่ยแทบทุกเจ้าทำไมไมออกนะคะต้องใช้อมว่าแทบเพราะบางคนดิฉัน น, นไม่ออกก็ดิฉันก็ดิฉันก็จะบอกอ่าท่านผู้ฟังตลอดจนท่านที่ถามมาเนี่ยว่าก็าบรรเทาไปได้ก็ก็เรียกว่าดีที่สุดแล้วะค่ะใช่คําสอนของพระศาสด า, า, า, าใช้ได้จริงๆอืมอืมค่ะทีนี้อย่างอย่างข้ออะไรที่มันไม่จริงหรือว่าไม่ถูกต้องเราก็อธิบายไปว่า สิ่งที่ถูกต้องคืออย่างนี้ก็เป็นตามกระบวนการไปนะการชีช้แจงก็อาจจะต้องมีแต่ว่าไอ้ความร้อนใจเนี่ยมันไม่ต้องมีแต่ความเสียใจความร้อนใจความเศร้าใจความกังวลใจพวกนี้เป็นอัตขุสตระทำทั้งสิ้นเราไม่ต้องมีเรนะอย่ามีท่านพิบุลคะ่ะถ้าดิฉันจะถามคําถามอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเหมือนกับเราไปผูกเวรเขาหรือเปล่าแต่เหมือนกับบางทีเราก็อยากจะบอกกับคนเตือนเขาว่าอ่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคนทําเนี่ย เป็นผู้ได้รับผลของการกระทํานะเออใช่แน่นอนอ่บางอย่างสมมุติสา์น้ำใส่เราเนี่ยเราเปียกน้ำํำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีเจตนาที่ไม่ดีในการสาดเนี่ยผู้ทําก็ได้รับผลของการกระทําก็คือมีจิตใจที่บาปหยาบช้าก็อาจจะทําให้เป็นผู้ร้อนใจตั้งแต่ตอนคิดตอนทําละพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าซัดฝุ่นทวนลม เดี๋ยวคือถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนมีศีลเราไม่ได้ทําความผิดเนี่ยเราเป็นผู้ที่ยืนอยู่เหนือลมแล้วเขาพยายามจะซัดฝุ่นมาทางเราเนี่ยสุดท้ายฝุ่นก็จะเข้าตาเขาเองมันเป็นงนั้นค่ะแต่ที่ดิฉันประเด็นที่ถามเนี่ยดิฉันหมายความว่าทุกคนเนี่ยก็จึงควรจะรู้ในเรื่องของกรรมที่พระศาสดาสอนใช่เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ทํากรรมที่พลาดพลั้งแล้วทําให้เป็นผู้เดือดร้อนเสีเอง อย่างไรคท่านคะที่เป็นพุทธพจน์เตือนดีๆเลยเนี่ยการที่กล่าวคําหยาบนะการการที่กล่าวคําหยาบเนี่ยหมายถึงว่าถ้อยคําที่มันบาดอานะจะไม่ใช่ภาษาสมัยพ่อคุณรามนะการใช้ภาษานี่อาจจะสุภาพแตนะ่แต่ว่าฟังแล้วมันบาดอย่างเงี้ยไอ้คาที่มันบาดลึกในใจเราเนี่ยอาจจะภาษาสุภาพก็ตามนี่นะก็เรียกว่าเป็นวาจาหยาบกายบุคคลที่กล่าววาจาหยาบกายอยู่เรื่อยๆเนะอยู่บ่อยๆเนี่ยแน่นอนกรรมที่เขาจะได้รับ ในอะย่างหนักเลยคือเขาก็จะต้องไปตกนรกกาหนดเดรัชานเปรยพิสัยนะซึ่งการเป็นนรก เ, นเป็นที่ที่ไม่น่าจะไปอย่างยิ่งเลยได้ยินก็ ข, ขนลุกแล้วนะไปนรกเนี่ยนะทีนี้ว่าถ้าผลอย่างเบาๆที่เขาจะได้รับเนี่ยเขาก็จะได้ยินได้ฟังวาจาได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะจะได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนี้จะเป็นวิบากอย่างเบาๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาบุคคลที่กล่าวคำหยาบเหมือนการกล่าวคำหยาบนี้ไม่ใช่ว่ารูปแบบการใช้ภาษา ไม่สุภาพนะอรูปแบบการใช้ภาษาอา จ, จะไม่สุภาพหรืออาจจะสุภาพก็ตามแต่ถ้าทําจิตของคนที่ฟังเนี่ยให้หลุดออกจากสมาธินะให้เคลื่อนจากสมาธิะนะคือทําให้เขาตกใจทําให้เขาเออจิตแต่ทําให้เขากลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือลักษณ ะ, ะวาจาหยาบหมดเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะได้รับวิบากของเขาที่จะต้องได้รับแน่ค่ะคือเหมือนกับว่าท่านกําลังจะบอกว่าถ้าในลักษณะของวาจาที่ผิด ผิดคือเรา ว, วาจาที่เป็นอักุศลออันนี้คือวาจาหยาบมิจฉาวาจาอ่ะนะคะมิวจฉาวาจาเนะี่ยเป็นประธานที่ไม่เป็นอักุศลอย่างหนึง่งหรือแม้แต่พูดปลดก็เป็นไม่ใช่เหรอคะที่ว่าตงนรกถ้าพูดบ่อยๆอถูกต้องถูกต้องในเรื่องของวาจาอาการพูดปดเนี่ยก็จะเป็นตงนรกแ ต, แต่ถ้าวิบากอย่างเบาๆแล้วนะก็พูดแล้วก็จะไม่มีใครเชื่อค่ะแล้วก็เออหรือฉันได้ยินว่าถ้าเป็นส่อเสียนรู้ป่าคะที่พูดให้คนแตกกันหรือชอบขึโกหกนี่แหละผลก็คือจะทําให้ถูกกล้า ตอูด้วยคําไม่จริงนะคะถูกต้องใช่ใช่เพราะนั่นคือการพูดโกหกเป็นวิบากอย่างเบาใช่นะคะอย่างที่อ ะ, อะไรล่ะคะผู้ที่ถามแล้วก็ดิฉันเจออยู่เนี่ยอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยโกหกกัได้นะคะอ่าจจะเป็ น, น เ, เป็นวิบากาจจใช่ไหมคะ อ, มอาจจะเป็นไปได้คือคือมันอาจจะเป็นกรรมกรรมเก่าเป็นผลนะนะเป็นวิบากของกรรมเก่าที่เราเคยทำมาหรือว่าอาจจะเป็นกรรมใหม่ที่คนนั้นเขาสร้างก็ได้ เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ที่นี่ในเรื่องกรรมพอดีที่ฉันได้เอาพุทธพจน์อันนี้ไว้นะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็พูดถึงเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองเข้าของที่หัวแหวนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทาดกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขาเนี่ยพึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมดคือมีอยู่เนี่ยเอาไปไม่ได้เลยจะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมดก็บุคคลทํากรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจ กรรมนั่นแหละเป็นของของเขาอันนี้แหละคะ่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์บอกว่าเอาไปได้นะคะและเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเราติดตามตนฉะนั้นแปลว่าไม่พาเขาไปเขาก็ตามเราไปอืมเพราะฉะนั้นบุคคลควรทํากรรมดีสั่งสมไว้สําหรับพบหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าคะ่ะ อ, อันนี้ถูกต้องเลย น, นี่เป็นพุทธพจน์ที่พระุทธเจ้าตรัสไว้ เดี๋ยนี้จุดที่เพิ่มเติตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็คือว่ากรรมที่เรากระทําในที่นี้มันทําไมรู้สึกรู้สึกทุกข์ใจตั้งแต่ที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ตามอันนี้เป็นกรรมนะเป็นกรรมการจากการกระทําตรงไหนกรรมแปลว่าเจตนาถูกไหมเฮ้เราไปเจตนาตรงไหนมันเจตตั้งแตั้งแต่ตอนที่เราเครืองเขาตอนนั้นแต่มันคือความโกรธที่เกิดขึ้นถูกไหมอันนี้เป็นการกระทำเป็นกรรมของเรามันก็จึงส่งผลมาให้เดือนหลายเดือนต่อมาก็ยังทุกข์อยู่แต่แล้วมันก็มีที่ผสมรองเข้าไปด้วยคือการผูกเวร ในการผูกเวรพอรามีการผูกเวรปุ๊บเนี่ยมันยิ่งผลส่งผลยาวนานต่อขึ้นต่อขึ้นแต่ทีนี้เราจะคลายความผูกเวรในในบุคคลอื่นๆได้อย่างไรค่ะนัคือณนะจุดนั้นนะณนะจุดนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณสามารถระ ง, งับความโกรธได้อันนี้คือดีมากอยู่แล้วแสดงว่าคุณทำจิตให้เหมือนน้าให้เหมือนดินให้เหมือนฟ้าให้เหมือนาอนากาศได้อันนี้ดีละแต่นี้ถ้ากลับมาบ้านแล้วยังทุกอยู่2เดือนผ่านไปยังทุกอยู่อานแสดงว่ามีการผูกเวรร่วมเข้ามาด้วย เราจะกลายความผูกเวรได้เนี่ยหนึ่งให้ทานที่ได้สองการประพฤติประมาจรรันอันนี้เกี่ยวข้องรหรือที่จะช่วยได้เลยก็คือเรื่องของการสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในบริขารของจิตนะที่จะทําให้มีการไม่ผูกเวรได้อ๋อค่ะท่านคะทีนี้สวดต้องถูกต้องด้วยมั้งท่านนี้มีปัญหาเรื่องสวดมนต์พอดีเลยคะ่ะถามมาในตอนท้ายอืบอกว่า ชีวิตนี่กคงไม่ค่อยมีเวลามากนักนะคะจะเข้าห้องพระสวดมนต์เป็นที่เป็นทางก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยใช้สวดบนรถเมค่ะอืมเป็นยังไงครานค ะ, คะอพอจะช่วยได้ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องการสวดมนต์ในการสวดเนี่ยหมายถึงว่าเรามาสาธัยเอามาท่องบนเพื่อให้จําได้ค่ะอันนี้คําว่ามนต์เนี่ยอในในที่คนไทยของเราเข้าใจนั้นก็คืออะไรที่เป็นภาษาบาลีและชั้นบางไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นมนต์ทั้งหมดแต่ซึ่งจริงเราต้องแยกแยะนิด น, นึงนคือถ้าเราพูดทั่วๆไป ม, มันอาจจะไม่ครอบคลุมพอเราต้องแยกแยะนิด น, นึงว่าสิ่งที่คุณเอามาท่องจําให้มันได้เนี่ยการส่วด น, นี่คือเพื่อจุดประสงค์คือการท่องจำใช่ไหมสิ่งที่ควรจะเอามาท่องจําให้ได้ก่อนนะก็แบ่งเป็นชั้นข้อมูลที่ถูกต้องตามลําดับตามหลักการมองใบลำดับแรกก็คือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก่อนเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยมาท่องจาให้ได้อย่างที่คุณโยมติ๋วพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยตรงนั้นคือเป็นพุทธพจน์ที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้าเป็นภาษาบาลีนะที่เรามักสวดกันก็เรื่องของบทที่ กรรมแต่ว่าสัตว์โลกทันเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวดตีโลโกโล้รกรรมโยน ن กรรมมพันธุต ร, ตรงเนี้ยที่เราสวดกันเนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพุทจน์เราก็เาตรงนี้มาท่องจําให้ได้สะก่อนนะแล้วบทอื่นๆก็ค่อยว่ากันใตนะรงนี้รูปแบบของการสวดการท่องจำํำนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบตรงนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นรูปแบบไหน เพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องเอาบทไหนก่อนบทไหนหรือว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อนะนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นเลยแตนะ่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราสาธยายเราท่องแล้วนะจุดประสงค์คือเพื่อให้จําได้ในะตนนี้ประโยชน์ของการท่องนะแน่นอนจําได้แล้วเนี่ยใจเราจะมาอยู่ตรงนี้นะใจเรามันจะอยู่ตรงข้อมูลที่เราจําได้ใช่ไหมเราก็ <c oughs> จะลืมเรื่องที่เราทําให้เราทุกใจได้นี่คือทําให้ เข้าสู่กายความปลุกเวรได้ค่ ะ, ะประโยชน์อย่างที่2องอีกของการสวดมนต์เนี่ยก็คือว่าจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีปีติมีสุขแล้วก็รวมลงเป็นสมาธิและสามารถเข้าสู่วิมุติได้ค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกอย่างอื่นเช่นว่าถ้าเราสมมติเราพูดถึงว่านังสือหรือว่าข้อมูลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีอยู่แล้ว ล, ะละ่ะนะพิมพ์เป็นหนังสืออะไรต่างๆถ้าอยู่ในตู้แล้วไม่ได้เอามาเปิดอ่านไม่ได้เอามาทบทวนเนี่ยแม้มันเป็นมนทิน เพราะนั้นการที่เราเอามาอ่านมาทบทวนเจ้าของจําให้ได้มันก็จะทำให้คําสอนตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นมนตินนะที่ว่ามีบทที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเนี่ยเป็นมนทินใช่ไหมก็ ค, คือตรงนี้แหละเพราะนั้นเราเอาคําสวดคำอะไรต่างๆ ม, มาท่องเนี่ยก็ก็จะเป็นการดีทําให้คําสอนนั้นไม่เป็นมนตินค่ะกรับมาที่คาถามของท่านผู้ถามตรงนี้ว่าแล้วอยู่บนรดเมทําได้ไหมเพอทําได้แน่นอนทําได้แน่นอนแต่<ะ>ที่นี้ ประเด็นก็คือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันสําคัญตรงที่ใจพอคุณเข้าใจความหมายไหมแล้วจิตใจเนี่ยคุณมีความนับน้อมในการที่เราจะท่องจําคํานี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อที่ควรระวังในการสวดอยู่เหมือนกันเนี่ยคือบางคนเนี่ยสักแต่ว่าสวดสวดไปแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วเนีคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอยู่ในธรรมแล้วด้วยอาการสักแต่ว่าการสวดแนี่ซึ่งตรงนี้จะเป็นการเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าอาการสักแต่ว่าการสวดเนี่ยไม่ใช่ว่า จะเป็นผู้ที่ทรงธรรมไดนะ้เพราะว่าธรรมะอยู่ในใจนะไม่ได้อยู่ที่ปากหรือว่าไม่ได้อยู่ที่หัวสมองนะคืออยู่ที่ปากนี่ก็ส่วนหนึ่งถ้าเรามีสามารบัญจาใช่ไหมอยู่ที่หัวสมองอก็ดีส่วนหนึ่งตรงที่เรามีปริยัต่แต่ถ้ามันจะได้ดีที่สุดก็คืออยู่ในใจของเราดังนะะะนั้นตรงนี้ก็อย่าไปคิดว่าด้วยอาการศักดิ์สิทธิว์วนแล้วถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่แต่ว่าถ้าจิตใจเรามีความเมตตาเอ้ยอันนี้คือคุณปฏิบัติธรรมนะตรงนั้น ถ้าจิตใจเรามีความกรุณามอาีอนานาปานสติมีสติไม่ลืมหลงอย่างนี้ชื่อว่าคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณอาจจะไม่ได้สวดคุณอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องพระคุณอาจจะเดินทางอยู่คุณอาจจะไปกินข้าวอยู่นี่ได้ทั้งนั้นค่ะนะคะกเ็เป็นเรื่องที่ว่าให้สบายใจเถอะสำหรับการที่เราจะทบทวนสวดมนต์ที่เป็นคำสอนของพระาศาสดานั้นจะทามนรถมีก็ได้ แต่ขอให้เข้าไปถึงใจถูกไหมคะใช่ใช่ให้หมนนั้นเข้าไปถึงท่านคะทีนี้ถ้าเกิดมนสวดแล้วเข้าไปถึงใจแต่ว่า อ, อ๋อคือเป็นคนพยายามสวดมนุ่เรือเ่อยเลยเผลอตัวเดินเข้าห้องน้าทำอะไรแต่มีอะไรก็วสวดอยู่ด้วยเนี่ยผิดไหมคะไม่ไม่ผิดหรอกอาตมา ก, ก็ทําบางทีคือ <c ười> <c ười> บางทีอาตมาทบทวนปฏินนโมกจ <c ười> มัยค่ะเดินไปบินาบา น, นเดียวก็ทบทวนไปคือบางทีก็พูดออกเสียงถ้าอยู่คนเดียวบางทีถ้าจังหวัดที่เข้าไปในบ้านมีคนอื่นอยู่เราก็จะพูดในใจ แต่บางทีก็มันก็ป่วยเบาก็ไปเข้าห้องน้ำก็ทบทวนเสร็จแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เรื่องนี้ตลอดอะว่างั้นนั่นนะเมื่อการที่เราคิดในเรื่องคำสองของบุตรชางอยู่ตลอดมันดีเป็นมงคลตลอดเป็นเรื่องงามยามดีนะตรงนั้นแน่นอนค่ะท่านคะทีนี้เวลาใกล้จะหมดล้วันเข้าใจว่าเราก็ตอบครบทุกประเด็นกับท่านฟังที่ฉันอยากจะไหนไหนพูดถึงเรื่องสวดมนต์แล้วใช่ไหมคะเยี่มผ่านก็จะรบกวนให้ท่านได้ช่วยกรุณาคัดเลือก บทที่สอดคล้องกับที่ได้พูดกันมาในวันนี้นะคะเอาไว้ให้ทุกคนไปสวดทบทวนให้เข้าไปถึงใจเลยจะได้เอาไว้เป็นอาวุธใช้ได้ในยังเกิดปัญหาจะเป็นบทไหนอย่างไรดีท่านคะเอาเป็นภาษาไทยเนะภาษาไทยเนี่เป็นบทนี้เลยที่อนุบาลได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่เป็นเรื่องที่พระเา้าได้ตรัสกับภิกษุชื่อพักคุณะนี่ยเปรียบเทียบกับอุปมาด้วยเลื่อยเนี่ที่เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวเราเนี่ยเนี่เพราะนั้นจิตใจที่เราจะ ไม่มีเวรกับเขาไม่มีการผูกเวรเนี่ยให้ทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกงี้บอกวา่าเธอพึงสำเนียงใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวว่าจะเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่และจะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตา อันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแพร่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์นี่คือบทสั้นๆตรงนี้ธรรมะสั้นสั้นนะอ่าสั้นแต่ไม่ทันเลยค่ะทั้งค่ะเอาแบบชนิดนักจดโชเลขไม่ใช่มืออาชีพพอจะนดโนดได้ทันอันโนดได้ทันก็คือว่าออีกหน่ยจิตของเราจะไม่แปรปรวนอันนี้คือกีย์บทที่สาคัญจะไม่แปรปรวนสอง เราจะไม่กล่าวบาจารเป็นบาปสองเราจะไม่กล่าวบาจารเป็นบาปคือจิตก็อนะจิตไม่แปปรวนสองบาจาต้องไม่บาปสามมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตามีจิตเอ็นดูเกือกูประกอบด้วยเมตตาสแผ่เมตตาไปยังบุคคลนั้นนี่คือข้อที่สแล้วข้อที่5คีย์วอยที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ น, นนี่คือห้าคีย์พอยตจากบท<แ>ตรงนี้ไปที่สุดทุกทิศทางแพ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์เอาบุคคล น, นั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ในการที่เราจะแผ่เมตตาไปทั่วทุกทิศทางค่ะเอาบุคคล น, นี้นเป็นอารมณ์เลยนะแม่ยิ่งใหญ่มากที่ใจแบบนี้ดีมากท่านคะ่ะถ้าจะเอาเป็นคําพูดเลยนะคะอะมีบุคคล น, นั้นอประเด็นที่ห้านะคะ S <S <S <S ไม่เข้าใจค่ะที่ว่าเราจะแพ้<อ>ไปสู่<ย>โลก<ช>ถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ <c oughs> ์ค่ะก็หมายความว่าอย่างแม่รักลูกอย่างเงี้ยนะมองดูลูกแล้วแหมมันมีแบบใจเราสบายใจเราเย็ยนเราเรามีความรักให้เต็มที่เลยเรามีลูกเป็นอารมณ์ก็จะมกาการที่แม่รักลูกเนี่ยนะห <c oughs> รือว่าอย่างคนรักในหลวงอย่างเงี้ยคนเนี้ในหลวงแล้วแหมใจใจเราตื่นตันปลื้มใจเอาคนเนี้ยแหละเป็นอารมณ์ในการที่จะทาจิตอย่างนี้ได้ ค่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะงั้นท่านผู้ฟังค่ ะ, ะก็ได้เต็มๆ เ, เลยนะคะที่ฉันก็จะส่งท่านอาจารย์ไปบูนไปพักก่อนวันนี้เพราะพรุ่งนี้ก็ยังมีคำถามที่จะรบกวนเรียนถามท่านต่อไปนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของคำถามถ้าเกิดยังไม่ครบประเด็นท่านกรุณาถามกลับมาใหม่ก็แล้วกันนะคะแต่เรนเชื่อว่าพอควรทีเดียว น, นี่กราบน้อมสักการขอบพระคุณพระมหาไพบูลอภิปุณโญไว้ในโอกาสนี้ค่ะนมัส ก, กาค่ะท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะพระพุทธองค์ให้เธอสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเป็นประเด็นที่1 2. เราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเป็นประเด็นที่สองส ม, มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาเป็นประเด็นที่3 4. ให้แผ่เมตตาไปยังบุคคล น, นั้นแล้วก็5แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด ทุกทิศทางโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์พุทวัดสวัสดีนะคะพบกันใหม่กับรายการสัสนสีสนทนาและดิชั่นสัสนสีนาคพง์กับพระมหาภัยบลญวันพรุ่งนี้